ชื่นชมพระฝรัง่งในวันพระใหญ่ต้องลงปาติโมกพระเนนทุกรูปต้องมาประชุมด้วยพร้อมเพรียงก่อนสดปาติโมกพระจะจับคู่ปลงอาบัติซึ่งกันและกันการปลงอาบัติคือการสารภาพบาปคล้ายกับการสารภาพบาปต่อพระในโบสถ์คริสต์นั่นเอง การโปรงอาบัตของพระแบ่งตามระดับการผิดพระวินัย227ข้อของพระแต่ละรูปก่อนจะร่วมฟังสวดปฏิโมกพระจะต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์เสียก่อนจึงจะมาร่วมฟังปฏิโมกได้วันพระใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนปีนั้นมีการสวดปฏิโมกเช่นเคยเมื่อพระทุกรูปมาพร้อมแล้วท่านดิกซึ่งเป็นพระชาวอเมริกันตระกูลเบิร์ ซึ่งเป็นตระกูลนักการเมืองที่สำคัญและเก่าแก่ตระกูลหนึ่งบวชอยู่กับหลวงตามาหลายปีแล้วพูดไทยคล่องรูปร่างสูงผอมบางเป็นผู้สวดปาติโม ค, คู่กับท่านสุดใจท่านดิ๊กสวดปาติโมได้ชัดเจนคล่องแคล่วตั้งแต่ต้นจนจบตลอดเวลาที่ฟังปาติโมอยู่นั้นรู้สึกทึ่งเป็นอย่างยิ่งที่พระฝรังสามารถออกเสียงได้ถูกต้องสวดไม่มีติดขัด สำเนียงเป็นพระธรรมยุทธ์ชัดเจนออกเสียงพุทธทังเป็นบุตรดังได้อย่างถูกต้องตามต้นแบบคิดอยู่ว่าท่านสวดได้อย่างไรโดยไม่ดูหนังสือหลับตาสวดเรียงลำดับได้ครบถ้วนเกิดความศรัทธาทัานมากทีเดียวไม่นึกเลยว่าพระฝรั่งจะมีความเอาใจใส่มากถึงเพียงนี้และเป็นตัวอย่างให้พระไทยต้องพยายามขวนขวายมากขึ้นไปอีกระฝรั่งท่องได้ และทำไมพระไทยจึงทำไม่ได้นอกจากนี้แม้จะเป็นพระฝรั่งแต่ท่านดิ๊กก็ชำนาญในเรื่องการปรนิบัติหลวงตาเป็นอย่างดีท่านปัญญาวัตโธเป็นพระฝรั่งอวุโสชาวอังกฤษที่พระทุกรูปให้ความเคารพท่านเป็นพระที่พูดน้อยอ่อนน้อมสมะถะเท่าที่ได้ฟังมาหลวงพ่อปัญญาไม่เคยถูกหลวงตาตําหนิเลย เคยเห็นภาพของท่านที่ถ่ายร่วมกับหลวงตาและเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันทราบมาว่าในการยัตติเป็นธรรมยุทธ์ของท่านปัญญาที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่22เมษายนพุทธศักราช2508เจ้าพระคุณสมเด็จทรงเป็นพระอุปัชาและหลวงตาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านปัญญาวัดโทบวชเนรที่ประเทศอังกฤษและมาบวชเป็นพระภิกษุที่วัดปากน้ําภาสีเจริญ โดยมีหลวงพ่อสดเป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้นกลับไปอังกฤษแล้วกลับมาประเทศไทยเพื่อสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้เข้าถึงที่สุดแห่งทุกข์ท่านมีความตั้งใจและพยายามที่จะขอเข้ามาอยู่ในการดูแลของหลวงตาที่วัดป่าบ้านตาดถึงสี่ครั้งในครั้งที่หหลวงตาจึงได้อนุญาตท่านอยู่มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2506 จนถึงวันที่ท่านมารณะภาพเป็นเวลา41ปีท่านปัญญาเป็นผู้ที่ให้ความเคารพยำเกรงต่อหลวงตาเถิดทุนไว้เหนือหัวไม่ยอมทำอะไรที่ตีเสมอหรือเกินหน้าหลวงตาเช่นครั้งหนึ่งท่านอาพาธต้องไปรักษาตัวที่กรุงเทพและเมื่อออกจากโรงพยาบาลจะเดินทางกลับวัดป่าบ้านตาดได้จองตัวรถไฟไว้แล้วผมเห็นว่าท่านเพิ่ง อ, ออกจากโรงพยาบาลเรงว่าจะกระทบกระเทือนจากการเดินทาง จึงนิมนต์ท่านให้เดินทางโดยทางเครื่องบินซึ่งใช้เวลานิดเดียวแต่ท่านไม่ยอมโดยอ้างว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ยังเดินทางโดยทางรถไฟเราก็จะกลับโดยทางรถไฟเช่นเดียวกันอ้อนวอนอย่างไรก็ไม่ได้ผลจนต้องตัดสินใจกราบเรียนหลวงตาขออนุญาตให้ท่านปัญญากลับอุดอนโดยทางเครื่องบินโดยให้เหตุผลเรื่องทาดขันเมื่อหลวงตาอนุญาตท่านจึงยอม ไม่เพียงท่านปัญญารูปเดียวเท่านั้นพระทุกรูปในวัดก็คิดและปฏิบัติแบบเดียวกันที่วัดไม่มีการแบ่งพักแบ่งพวกมีพ่อแม่ครูอาจารย์องค์เดียวเท่านั้นที่ทุกรูปจะต้องเชื่อฟังกฎระเบียบต่างๆไม่หย่อนยานมีพระหลายรูปที่ถูกขับออกจากวัดไปเพราะความอวดดีและฝ่าฝืนกฎระเบียบไม่ปฏิบัติตามูคณนะกฎเข้มของหลวงตาทาให้วัดป่าบ้านตาด ยังคงสภาพเป็นวัดที่สงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้หลวงตาได้กล่าวชื่นชมท่านปัญญาไว้เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2547นาณวัดป่าบ้านตาดว่าท่านปัญญาทำประโยชน์ให้วัดนี้มากเป็นหลักให้พระฝรั่งได้อาศัยติดต่อกับท่านได้อาศัยท่านปัญญาเป็นแนวทางเดิน หลวงตาสรรเสริญท่านปัญญาที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถสนองงานของหลวงตาในลหลายๆเรื่องเช่นการยกศาลาวัดป่าบ้านตาดให้สูงขึ้นเพื่อให้ชั้นล่างได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่เช่นทุกวันนี้แทนที่จะใช้เครื่องมือทันสมัยซึ่งต้องใช้คนมากและวุ่นวายท่านใช้ความรู้ของท่านร่วมกับพระและคุณอภิชาติฟุงลัดดายกศาลาขึ้นสําเร็จนอกจากนี้ท่านปัญญายัางได้ฝากขนงานไว้ที่วัดป่าบ้านตาดอีกมากมาย หลังจากได้ทราบข่าวการมรณภาพของท่านปัญญาหลวงตาได้บารอว่าท่านปัญญาท่านเสียดายที่พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เลิศเลอฝรั่งเป็นคนฉลาดแต่ทางธรรมเนี่ยฝรั่งยังไม่ค่อยเข้ามาเกี่ยวข้องคือดีอันหนึ่งมาเสียอันหนึ่งคงเป็นกรรมของสัตว์คือทางฉลาดฉลาดไปทางโลกทางสงสารทางวัตตะวณเสียให้ฉลาดมาทางธรรมเนี่ยไม่ฉลาด ปัญญาได้ลาสังขารไปแล้วด้วยความสงบเมื่อเช้าตรู่วันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2547รวมอายุได้78ปี10เดือนที่วัดป่าบ้านตาดขณะที่หลวงตาอยู่ที่สวนแสงธรรมโดยก่อนเดินทางไปสวนแสงธรรมหลวงตาได้สั่งการและมอบหมายให้พระในวัดจัดการเกี่ยวกับพิธีศพของท่านปัญญาแทนท่านไว้ล่วงหน้าแล้ว ในวันประชุมเพลิงเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2547มีผู้คนมาร่วมงานมากมายเต็มลานหน้าวัดอากาศร้อนอบอ้าวแสงแดดแรงจ้าผู้คนกางร่มบังแดดกันในขณะที่จะวางดอกไม้จันทร์ก็เกิดปรากฏการณ์ผิดธรรมชาติที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ขึ้นแต่เป็นที่ประจักษ์แก่ทุกคนคือขณะที่แดดแรงจ้าอยู่นั้น เมฆบนท้องฟ้าสองก้อนได้เคลื่อนเข้าหากันบดบังแสงอาทิตย์จนร่มรื่นและมีลมเย็นเช่นลมหนาวพัดแรงให้ความเย็นแก่ทุกคนเป็นเวลาชั่วโมงเศษโดยเมฆไม่ได้เคลื่อนไปไหนจนกระทั่งหลวงตาเข้ามาในงานพิธีประชุมเพลิงมีปรากฏการดวงอาทิตย์ทรงกลดสองครั้งในตอนเช้าอีกสองครั้งรวมเป็นสี่ครั้งเป็นที่ประจักษ์แก่คนทั้งหมดในพิธี เคยรับฟังมาว่าเมื่อพระอาหารหันต์ละสังขารจะปรากฏแสงออร่าให้เห็นผมจึงมั่นใจว่าท่านปัญญาคือพระอาหารหันตสาวกองหนึ่งเช่นกัน เมตตาต่อทุกสรรพสัตว์หลวงตาเมตตาสัตว์ทุกชนิดสัตว์ทุกตัวที่อยู่ในวัดจะได้รับการปกป้องคุ้มกันให้รอดพ้นจากอันตรายไม่ว่าจะจากสัตว์ในวัดด้วยกันเองหรือสัตว์จากข้างนอกประตูวัดปิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อกันงูหรือสัตว์เลื้อยคลานจากภายนอกหากมีงูเล็ดลอดเข้ามาก็จะถูกพระเนียนจับออกไป จับด้วยมือเปล่าเอาใส่ปี๊บไว้ปิดฝาให้มิดชิดป้องกันการหลบหนีรอเวลาที่จะฝากญาติโยมเอาออกไปปล่อยในที่ห่างไกลจากวัดเพื่อไม่ให้กลับเข้ามาได้โดยเฉพาะงูทุกชนิดจับมาได้แล้วถ้าปิดฝาไม่สนิทพอยกปี๊บมาพักไว้ข้างโรงน้ำร้อนงูอาจจะเลยออกมาได้วงพระชันน้ำร้อนอยู่ในช่วงเที่ยงวันก็จะแตกกระเจิงร้อนถึงพระหมองูต้องออกไล่จับอเปย์ออกจากวัดทันที ไม่เฉพาะกับงูเท่านั้นที่ถูกจับออกไปโดยไม่มีการทำร้ายยังรวมถึงเห็บหมาที่ถูกจับออกจากตัวหมาที่หลวงตาเมตตาเลี้ยงดูด้วยหมาเหล่านี้มีผู้ดูแลเรื่องอาหารการกินการอาบน้ําดูแลดีพอๆกับสปาสัตว์เลี้ยงในกรุงเทพพี่หมาจะถูกจับอาบน้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งและเห็บจะถูกจับออกไปใส่กระป๋องเอาไว้ปล่อยนอกวัดไม่มีการฆ่าแกง หมาทั้งหลายที่อยู่ในวัดได้รับความเมตตาจากท่านอย่างล้นเหลือแต่และตัวมีนิสัยขี้ประจบประแจงทุกครั้งที่พระสวดให้พรก่อนฉันอาหารหมาทุกตัวจะหอนรับตลอดเวลาที่ให้พรพอพระเริ่มต้นสวยดยัตถาทุกตัวเริ่มร้องรับต่อเนื่องไปจนจบคําให้พรเป็นที่ครื้ครื้นของญาติโยมทุกคนหมาทุกตัวจะอยู่อย่างสบายมีกรงมุงลวดกันยุงกันมแมลงอยู่ใต้ทุนศาลา ซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ยกพื้นสูงเหมือนทุกวันนี้สาลาสูงเพียง 1.60 เมตรเท่านั้นพื้นข้างล่างเป็นดินทรายน้ำไม่ขังไม่อับอยู่ใต้ถุนสาลาใหญ่ระเวนมีหน้าที่ดูแลอาหารการกินให้หมาทุกตัวไม่ให้กินของดิบทุกอย่างต้องต้มเปื่อยไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือเครื่องในหลังชันเช้าทุกวันระเวนจะเอาหม้อใส่น้าตั้งไฟต้มเนื้อ ปรุงรสแต่งกลิ่นด้วยตะไคร้ใบมะกรูดกลิ่นอบอวนไปตามสายลมที่เฉยไปต้มเนื้อใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดส่งกลิ่นเหมือนตือหวนลอยมาตามลมต้องเดินตามกลิ่นมาจนเจอต้นต่อเห็นท่านบัณฑิตกําลังดูแลหม้ออาหารใบใหญ่สําหรับหมาทั้งหลายถึงขนาดต้องอ้อนวอนหมาให้กินอาหารตํำรับของท่านที่อุตส่าห์ปรุงด้วยความชํานาญจากสมัยเป็นคารวาสหมาพวกเนี้ยเป็นหมาเจ้ายศเจ้าอย่าง ชอบให้คนเอาใจถือตัวว่าเป็นหมาของหลวงตาซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลวงตาจะเล่นจะพูดคุยกับมันเวลาท่านสะดวกและดูเหมือนจะรู้ตัวหมามันเลยหยิงหน่อยๆแต่ทุกตัวมีความจงรักภักดีเดินตามท่านเป็นปรวนเชื่อฟังสงบสงเงียมหลวงตาที่เราได้เห็นว่าท่านดุเข้มงวดกลัวท่านไม่กล้าเข้าใกล้ท่าน ที่จริงแล้วท่านมีเมตตาล้นเหลือหาประมาณไม่ได้ท่านจะใช้เวลาว่างออกไปตามสวนสัตว์วนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่สถานเลี้ยงสุนักจอจัดเพื่อเอาอาหารไปเลี้ยงสัตว์ท่านได้พิจารณาให้ความอนุเคราะห์ดูแลสัตว์อย่างทั่วถึงมาโดยตลอดท่านพูดว่าเรามีปากท้องเขาก็เช่นเดียวกับเราฉะนั้นเราต้องเมตตาสงสารเขาเขาเกิดมาตามวาระแห่งกรรม เขาก็มีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเราเองก็มีโอกาสเกิดเป็นสัตว์แบบเขาก็ได้หากกระทาผิดพลาดจึงไม่ควรประมาทแต่ให้เห็นใจกันสงสารกันช่วยเหลือสงเครอกันในอนาเขตของวัดจึงเป็นที่ที่สัตว์มีความสุขอยู่กันจนออกลูกออกหลานเต็มวัดโดยเฉพาะกระรอกกระแตและไก่ลูกไก่เล็กๆที่เพิ่งออกมาชมโลกในวัดไม่กี่วันกระรอกกระแตไต่ไปตามกิ่งไม้ส่งเสียงร้องหากัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมเป็นช่วงที่อยู่ในฤดูผสมพันธุ์ของมันมันจึงส่งเสียงอวดความเป็นหนุ่มผู้ยิ่งใหญ่ต่อสาวเป็นการเกี้ยวพาราศีกันบอกความพร้อมได้ยินไปทั่วทั้งวัดบางตัวลืมตัววิ่งพลานอยู่บนยอดไม้ไม่ได้ระวงอันตรายจากเหยี่ยวที่คอยบินโฉบอยู่บนฟ้าเหนือวัดถลาลงมาจับกินอยู่เสมอก็ต้องถือว่าต่างใช้นิเวศและกรรมกันไป พระเนรในวัดต่างก็พยายามจะคุ้มครองสรรพสัตว์ทั้งหลายให้อยู่กันอย่างมีความสุขถือว่าวัดเป็นเขตอภัยทานไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันหากพ้นเขตวัดแล้วก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง สติขาดเมตตาหนังสเต็กที่ใช้ยิงนกถูกใช้เป็นอาวุธคอยไล่เหี่ยวที่คอยจ้องจับเหยื่อที่เป็นบริวารของวัดป่าบ้านตาดทั้งกระรอกและลูกไก่ที่เพิ่งฟักออกมาใหม่ๆยังไม่รู้จักพยันตรายรอบตัวจึงเป็นหน้าที่ของพระและเนนที่ต้องคอยเฝ้าระวังใช้ดินปั้นเป็นลูกกระสุนคอยยิงไล่เหยื่ยวให้ตกใจบินหนีไป ไม่ให้ทำอันตรายต่อลูกไก่และกระรอกพระรุ่นเดียวกับพี่ชายรูปหนึ่งอยู่โรงเรียนเดียวกันชั้นเดียวกันเข้ามาจำพรรษาอยู่ที่วัดได้มีโอกาสทักทายและเล่าสู่กันฟังถึงเรื่องกรรมท่านเล่าให้ฟังเป็นเครื่องเตือนใจว่าขณะที่อยู่ที่กุฏิชายป่าในวัดเห็นเหี่ยวกำลังถลาบินโฉบลงมาจะจับกระรอกมือไว้เท่าความคิดหยิบหนังสติก๊กคว้ากระสุนใส เนียวนางสติกสุดกำลังด้วยความลืมตัวเล็งไปที่เหยี่ยวตัวนั้นเมื่อเล็งได้ที่ก็ปล่อยลูกกระสุนกะระยะให้พอดีกับที่เหี่ยวบินโฉบลงมากระสุนดินแข็งๆโดนเข้าที่กระโหลกเหี่ยวเต็มที่ร่วงตกลงมากลางดินหน้ากุติตายสนิท ต, ต่อหน้าพระรูปนั้นท่านบอกว่าวันนั้นลืมตัวไปจริงๆสวมบทบาทของครวาสเหนียวเต็มที่ เยี่ยวโดนเขาเต็มเปล่าแล้วหล่นลงมาตายต่อหน้าต่อตากระรอกตัวนั้นรอดตายจากโรงเล็บเยี่ยวสังเวยชีวิตตัวเองท่านใจหายอยู่หลายวันบุญบาปมีจริงเช้าวันหนึ่งตื่นนอนตอนเช้าจัดบาทเสร็จแล้วกลับมากุติรอเวลาออกบินธบาทเกิดปวดเมื่อยกระทันหัน จึงโหนตัวกับคือหลังคากุติหวังจะให้หายเมื่อยโดยมือทั้งสองเหนี่ยวประตูโหนตัวขึ้นกะให้คางเกยคือท่านใดนั้นมือที่โหนก็หลุดจากคือร่วงลงพื้นหัวกระแทกกับพื้นสลบไปฟื้นขึ้นมาก็เลยเวลาบินทบาทไปแล้วท่านบอกว่ากรรมมันทันตาจริงๆขออโหสิไปแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจมันไม่ยอมเอาเรอคืนจนได้ตั้งแต่นั้นมา ท่านบอกว่าเขตเลยไม่เอาอีกแล้วต่อมาทราบว่าท่านได้ออกจากวัดไปวิเวกที่อื่นแล้วพบกันอีกครั้งโดยบังเอิญทราบว่าท่านไปอยู่วัดแถวสังขะบุรีได้ไปมาหาสู่ท่านครั้งหนึ่งแต่ขณะนี้ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแล้ว วัดป่าบ้านตาดในความทรงจำนอกจากสลาใหญ่ยังมีโรงน้ำร้อนที่เป็นศูนย์รวมของพระเนนทั้งหลายเตาต้มน้ำยังเป็นเตาโบราณใช้ได้ดีอยู่ทุกยุคทุกสมัยให้ความร้อนแรงดีใช้ฟื้นไม่กี่ดุนก็ต้มน้ำได้อย่างดีจนทุกวันนี้ก็ยังใช้อยู่โรงน้ำร้อนไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นลานดินปูเสือเหมือนเดิม ม้านั่งของพระทุกรูปยังเก็บไว้ที่เดิมเก้าอี้วายของหลวงตาตรงเสากลางยังอยู่ที่เดิมทุกครั้งที่เข้าวัดต้องไปหยุดดูสภาพเมื่อ20กว่าปีก่อนก็ยังคงเดิมเห็นชัดเจนอยู่ทุกที่ไม่มีภาพที่เปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถจำได้อยู่อย่างไรก็อยู่อย่างนั้นศาลาเล็กๆใช้วางบาทหลังศาลาใหญ่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมบอกขยะโรงเก็บของยังทาหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ พระเนนทั้งหลายในยุคนั้นมีพันสามากขึ้นเป็นครูบากันหมดแล้วมีพระเนนหมุนเวียนกันเข้ามาและออกไปตามปกติความเข้มงวดของหลวงตายังเหมือนเดิมงานเทศกาลต่างๆยังคงมียาิโยมแน่นขนาดที่ทางของวัดขยายออกไปเพราะมีผู้ใจบุญซื้อที่ดินถวายหลวงตาเพื่อให้พอรองรับผู้คนที่หลั่งไหลกันเข้ามากราบท่านจากที่หลายๆคนเรียกท่านว่าหลวงตากลายมาเป็นหลวงปู่ก็มาก เพราะอายุของท่านขณะ น, นี้พุทธศักราช2551ย่างเข้า95ปีแล้วแต่ท่านยังแข็งแรงความเมตตาของท่านยังมากล้นท่านพยายามให้สติญาตโยมให้เลิกลดละอบยมุกกิเลสตัณหาท่านนำทางพวกเขาให้เข้าสู่ความสงบความพอเพียงซึ่งท่านเทศย้ำ ม, มาเป็น10ปีแล้วหนังสือที่ท่านเขียนและที่รวบรวมเทศนธรรมของท่าน ที่ได้จัดพิมพ์มาตั้งแต่ประวัติหลวงปู่มั่นศา ส, สนาธรรมปลุกให้คนตื่นศา ส, สนาอยู่ที่ไหนธรรมะชุดเตรียมพร้อมและอื่นๆทุกเล่มยังเข้ากับยุคสมัยได้ไม่มีที่ติใช้ได้ทุกการเวลาการเทศของท่านแต่ละกันเป็นการเทศที่เหมาะสำหรับวันนั้นและคนฟังเหล่านั้นแต่ก็ยังใช้ได้ตลอดกาลช่าง น, น่าแปลกและน่าอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าใครกําลังมีคําถามอะไรอยู่ในใจสงสัยติดขัดที่ตรงไหนหลวงตาจะให้ความกระจ่างทุกครั้งโดยไม่ต้องถามหลายครั้งที่มีข้อสงสัยในใจว่าท่านรู้ได้อย่างไรเพราะไม่ว่าใครคิดอะไรท่านชี้แจงได้อย่างทะลุปรุโ ป, ปรง่งหายสงสัยเหลือไวแต่ความโง่วนว่าท่านรู้ได้อย่างไร